ลำดับต่อจากนี้ไปเป็นพระธรรมเทศนามหาจาดเวทสันดรจากดกชบับพิเศษชุดสร้อยรวมทมกันทีห้าจิวาจูจกตรวจชำราคัดกลองสมลนใหม่โดยอินสมชัยชมพูปรเรียนรมหกประโยคนักักทมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงหายน้อม <c oughs> <c oughs> ทธะาวกาตอะราหะตุสมมาสัมพุทตะตาตากาลิคารัตเถตุนาวิธาปรมาณากามวาสิจุจกโกนามา พลัมมานวภิขาจริญญากหปาณาสตังละพิตายเอกสัมิงพระมนาคุเลทาเปตตวาปุณณาทานังปาริเนสนัทธัญกตติ ตาตาในกาลานั้นเรายัางมีพรามเทาจารามีนามาบอกไว้ว่าพรามคีไรจุจะกะพรามอยู่ในบ้านตุนนาวินทกามคงเขตแดนพระเตตกาลิงกราชปุรีมันเครื่องขี่กันอยากตกลำบากเหลือใจ เอวขอไปจ้าใจเก็บรอมไว้เหมือนนำจริงได้คำบ่น้อยมีหนึ่งร้อยกะหาปัญะเป็นทรารมันพิจารณาคืดไข ว, ว่ากันเก็บเมียดไว้กับตนเยี่ยวมูจนกายาบจักคณาเป่าไปเตียงเครื่องใจกว่าเก่ายามคืดเหลากินแนง มันจริงเอาคำแดงหนึ่งร้อยกาบ่อหน่อยดูงามไปฝากพรามพู้หนึ่งใส่อันขี่ไร่เครื่อขี่ไข่ขคำดีเก่าอูว่าขาจากไปสู่แดนไก่เนี้ยวมีไผยมาตองใ น, นแห่งห้องกะญยาขอฝากคำขาบ่อเศร้ากับเสียวเจ้าสาหาย ขาจากผ่านภายบ่จ้ารีปอกนาะคืนมากันมันจ่าฝากแล้วก็ออกแอวเตี่ยวไปสู่แดนไก่จ้าใจเปื่อซอไสขอตานอย่างเงินคำขานแถมเรล่าเพื่อแถมของเก่าฮอมีลายก็มีหันแลยนะ ส่วนข้ากุนพรามผู้ตกยากอันรับฝากคำคาหลายว่าสาควบเขาบ่อหันเท่าขึ้นมาก็พิจารณาด้านสอดว่ามันเตียงมวยหมอดเมื่อมอนกลางดงดอนป่าไม้เรือตีเมืองใหญ่แดนไก่จริงเอาคำใส่ใจใจบ่อเวีนไว้ไงแรงกันคำแดงบ่อเสถเท่าผี่เพศจริงขึ้นมา คืนเกะหาบอตันนั่งออกปากฟังขอคำอันตนนำมาฝากว่ากูจักผากไปไกลสู่จุงไว้จกออกกูจักบอกลานีข้ากุณเครื่องขี่ตกถอยก็เกาถอยใครปัน คือตัวมันพร้อมเท่ารู้เงินเก่าตามไรเท่าผีพายถอยจ้าก่อแสงวาไลาภาการข้ากุญ่านอยากไรก่อขอใจไปลุนเท่าหันกุญกวนใดคือรูกดอไทยหญิงสาวจริงจาสะหาวกำหญ่ว่าสู่จงใจบัดเดียวกูจักเดียวไปไกลนักเล่าเพื่อแถมของเก่าคือลาย ดังหรือจ้าสายดูมินใจของขินเรากินดีจ้าส่วนค่ากุนอันนั่นโ ส, น ส, นสนดขีไรหดเลือใจ <c oughs> บ่มีอันใดจากใจเฮือพรำใดบัดเดียวจริงจ่าเลียวกาวทอยด้วยคำอ่อนอ้อยนานาแล้วยกทิดาหนุ่มเนางามบ่เศร้าจืออมิตตาปะนา เพือพรามป่าไปสู่ยังตีอยู่เรือนมันคือยกปั่นลูกเต่าเพือพรามเท่าแต่นคำพรามมาทำปู่เท่าไดโนเนาสาวสี <c oughs> จะอยยินดีจื่อจ้อยก่อป้านางนาดน้อยอาิดตะตารีบไก่้าไปสู่ยังตีอยู่เรือนตน อันอยู่หนแห่งห้องแดนเขตต้องตุนนวินธากรรมก็มีหันแลนา่าแ <c oughs> รกแต่นั้นไปไปนานางนอลาบินตาตาก็เจียนจาตันเหล่าเรียกพรามเทาว่าหลุงพรามปฏิบัติตามบอกขาดบอกพระมาสักอันพรามใจมันจืนสู่ อดใจอยู่รอราเท่าตันหาผีเพชรก็เหือละเป็ดเป็นลานเก่ากำบานอ่อนอ้อยว่าดูรานางนัดน้อยองค์คำนางอย่าว่าจักจังคนเท่าตันว่าของเก่าดีหลายพรำผีพายปู่เทาลวดเอานางหนุ่มเนาเป็นเมียก็มีหันและนะ อันว่านางอวินตาตาก่อปฏิบัติฟัวเท่าทุกคำเจ้าแลลง่ายพรมดุมลายมวนหมูกะอันอยู่ในบ้านตุนนาวิถะกามหันวัดอันงามบัวสาว แห่งนางหนอนหนาอมินตาตาเขาก็จะอวดนางมีต่างๆห น, น้าเอากันมาพร้อมนาลวดตีดาเมียเขาว่าเจ้าเราเหยเหมือนหมูอันว่ายิงจูภูเมียเราเ <c oughs> ขาหมวัมวเมาตั้งบาปใจกะยาปานันผีละก้องดีเสียงไข่บอใจใส่เราราบบ่เหมือนอมินตาตานุ่มเนาป่มเรินวัวเท่าจืจุ จ, จกะพรำ นางนันงามจ่นจ้อยยังปฏิบัติผัวถอยดีดีส่วนนางพรำมณี ม, ม, มวลหมูฟังผัวอูเตียนควันก็ปะกันโคตรไม่อดบอดใดเดือหูเล่นลงจูในตาร้องเอินดาพระภายว่าดูราเปือนตั้งลายเฮ้ยเมื่อก่อนผัวเราบร่หอนนินตา ยังเรารามวลหมว่าบ่อยู่ตามกองบ่อทริปองอุปถากลาวินจากกองดีตั้งแต่อีกาละกันนี้หนุ่มเนามาอยู่เฝ้าปัมเรินพรามเขาจริงคำรามเราใหญ่เราอย่าเอาไว้อีกาละกันนี้เราจะครับนีเจียนจากคือมันผากไปไว เขาเล็งไปสั้นพอหันนั่งนอนปิ้นต า, ตาตาเตียวลงมาอย่างตากอลุมดาส า, สาวกอมีหันและนาตามัดทังประกาศเซนโตศรัทธาฮาศรัทธาสัพพัญญุยอดซอยหันบาทถอยบาลีบทหลังมีไปแจ้ง พระจิงแสงเตสนาวาหัวเสีกลิงเกซูดังนี้เป็นตนพีกเวดุราพีคู่ทรงตนทรงสินปใสบ่อเศร้า <c oughs> ดังอยู่เฝ้าหลายลามยังมีพรามผูหนึ่งใสมีจิ๋วไห้วาจุจักกะพราม อยู่ในตนนวีทักรรมคงเขตแดนต้องเตดกาลิงกระาชเวียงใจพร้มจังไรท้าถอยมีเมียหนุ่มน้อยจืออบมิทตาตานั่งั้นนาปฏิบัติผัวเท่าทุกคำเจ้าแหล ง, งายนางพรหมาีนตั้งหลายทวนนาเขาเกียจกาเหลือใจป้ากันไปสู่ตาลุมล้อมดานังอบมินตตาวาดูราอมิตตาเฮยงามแง รอยป่อแม่มึงนางมีใจจางข้าข่อยบ่อไฟหอยปีนาจิงปันที่ดาหนุ่มดาวเฮือแก่เทาจีพรามชมดังงามพงใหญ่จู่ผู้ไฟแฟงจมดังหรือดังอูดมมาอยู่เป็นเมียปู่จีพรามอันหาตีงามบ่อใดนางป้อไฟแปลงปันทุกข์คืนวันคำเจ้าปั้มเรินเทาเอาใจ เรือบงใหญ่ปีน้องตุกขิงคองเรือลายเขาก้าไขาบ่บอจานน้างเป็นนี่ขางเป็นนี่ขางจีพรามเอานางงามมาไทยพรามจริงได้เป็นเมียรพรามตาเพียนาหลววใจนางหลวดเจยบ้านรือเมื่อ น, นานจาดก่อนนางน้อยอ่อนอุดมมีใจขมมืดเศร้าได้ดาเจ้าเบียนจี บาปนั่นมีมาไข่จริงหฮือพรามใดเป็นเมียนางตายเสียดับจาด้วยปิดบาดงูเขียวงูเห่าเร็วไหลต่อตกบ่อเต่าพรามกอดคิงนางหอคมบางเสียบคางเจ็บดามังเบือมอนก็บ่อร้อนจักเต่ายามพรามเท่าเจิดจุมนางงูดมหนุ่มเหากันนำเข้าอาหาร ดาบสังขารหมูกหมู่ยังสุกกว่าได้อยู่เฮือนพรามเรือนางงามจัดก่อนได้ตั้งบอนปูจะาไฟย้ำตาวันใสตกต่ำแหมเกาคำดีๆดอกโบดีเหี่ยวแห้งนางได้แต่งปูจ่าเคาะนั่นนามาจุจอดจริงได้กอดหลงพราหมจุมยิ่งราำนุ่มน้อยได้จีนจ้อยแม่แฝงกั๊บผัวแป้งหนุ่มนา จริงถูกเก่าทรมาดานางนี่นาพงแถวงามเลิศแล้วเปล่งแปลงป้อยมาแฝงอยู่เฝ้าเอาพรามเท่าเป็นพัว <c oughs> การสนุกหนัวอิงอ้อยจากเ่าท้อยย้อนไิ้ไปมาแห่งคนจราเท่าแกจักมีแต่ยามใดนางผิวใสบ่เศร้ า, าได้พรามเท่าคุยคาย สังบอละอายเปลื่นบานอันกาวตานินตานันจ้ายนาดาน้อยไ่ปานลูกไม้เหนือดินยกย้ายตินบ่จ้างบ่มีวางตั้งเตี่ยนางตาเขียวบ่สู้กับด้วยหมูใจรามป้อยรักครามปู่เท่าฟันบุ่มเบ้าหลังคอ กันตัวบ่อปอจอบสซกับโดยปัวตาเพียจุงนีเสียอยาจ้ารีปปอกกว่าเรื่อนตนถึงตาร้นต่ำาจ้ายังสุกกว่าเหลือลายจุมคนใจลายลาเขาเตียงหากจักมาขอสลีโซฟาหนุ่มเนาไปเป็นเก้าเกหากละนะ อันว่าขี้าอันไข้หัวแหงผัวเท่าฟันบุ่มเบ้าบอเป็นดีดูดังหรือนางจูอยู่ใดในตีไกเม่นข้าวนวดก้อนเหย้าผมงอกยามยางออกหลังโกนันจ้ากันใจนางบอสูจุงนีเมื่อสูเรือนตนแดเตอ ตองสุดตานางอบิตตะตาหนุ่มน้อยได้ยินถอยวะตีอันนางพระมณีมวลหมู่ล้อมดาอยู่ลวงลายที่ดอนท้ายตานํำมีความผ่มนานานานางเครื่องกาแสบไม่ลวดร้องให้มาเรือนใจพามเฟือนสะต้อนเหตุทันนางอ่อนโซภา เจ็หน้าตาร้องไห้จริงแล่นไปไกลจะถามด้วยกำงามบ่เศร้าว่าดูราน้องเนาสายใจเป็นสันได้ร้องไห้ <c oughs> เจ็บแสบไหมสั่งจาหรือไผยมาตีดาเนี่ยหยาบจ้าระวีจุงไขวตีเกาจี้ือรู้ทีขีญยา <c oughs> อามินตาตานุ่มเน่าก่อตันเล่าตามีวานางพรำ ม, มานีนเหมือนหมูอันมีอยู่ลายลามในต้นนาวิถีกรรมตั้งแคว้นเขาเต้นแล่นเป็นจุมลงไปซุมตีตาลุมล้อมดากูนางดังนกยางหมวนหมูลุมล้อมลูกินปลาว่ากูนางนีนะหนุ่มเน่า ได้พามเท่าเป็นผัวสมเปิ้งตัวเป็นลูกป้อยมาถูกเป็นเมียเท่าตาาเทียปันพ่อบบปูนพอปูนดูเขาด่ากูบ่นน้อยด้วยกำถอยเดือใจแต่นี่ไปไปนากูบอกว่าจักหมายไปดอนไรายแถมซ้ำบ่อตักน้ำมาเฮือนและนะ ที่นั่นพรามปูเทาฟังกำเล่าใครจะจริงกก่าวคาถาว่ามาเมตตังอาัการะกรรมังดังนี้เป็นต้นว่าดุราอินตะตาน้องเนางามบวชเศร้าผิวใสแต่นี่ไปไปนานังอย่าว่าจังกะํำยังการนำมวนหมูอันมีอยู่เรือนรา อย่าไกลกาไปตาจุงอยู่ธาในเรือนพี่บ่เฟือนใจอยากพี่นี่หากจากไปสู่วังใสตาน้ำตั้งติยวพัมน้ำมาเจแลนาตีนันนามินตาตาหนุ่มน้อยจริงตอบทอยจีพรามว่านหน้าหั่งตำฮิคุเลจ้าตาดังนี้เป็นตน้น ว่าดูราพรำปูเท่าข้ากุนได้เล่าสามารถเฮือผัวเนี่ยการคำเจ้าลุกหนึ่งเขาหับน้ำหาดัวเมียวีหัวแต่งยองบ่อผักห้องไปไหนกิจจ้าการไดบ่รู้พัวยื่ยนสู่ตาจูขออยาฮือกูไปเกิดเอากำเนิดดีลี กูจักหนีเหือได้จักละปูไว้มองได้เหตุละอายเลืออย่าปายนาเขาเตียงค้านาบเปลือลายกันยังเสียได้ค้าคอยรักจองหอยกูนางเท่าตาฟังอย่าจ้าจูงไปสาอคานิ่งใจมาของควายจวยใจมึงจริงจักใดกูไว้เป็นเมียจักและนา อยู่จ้ากระพรามเท่าถอยจริงตอบถอยกำทางว่าดูราสะดีขิงบางเฮ้ยงามอาจอันว่าสิปาสสร์อันใดก็ บ, บอมีในตนปีซ้ำตกตีย้ำผ่านเงินคำขาญก้อยกาดเขาน้ำขาดแลงไอดังรือจักคงควายหาใดา ย, ย, ยังคาจวยใจใจยิง พี่ขาดนิ่งยินอยากปี่นี่หากอาสาจักลุ่มลาเลี้ยงเจ้าตกคำเจ้าเลื้งเลื้งจัแหลนา <c oughs> นางบินตาตาตอบเล่าว่าดูร า, าพรมเทาจาราคนฤาหลายปากกูนี่หากได้ยินว่ายังมีพระนารินต์ตนหนึ่งใสจื่อเต้าไทยเวสันตราา มีศรัทธาแผ่กว้างฮือตานจ้างนาเกียนเจ้าเมืองเบียนขับจากเฮือเต้าภาคสี่ปีไปเป็นระสีอยู่ป่าริมดอยจิวาวงกุมึงจุงอตเตี่ยวกว่าเข้าสู่ป่าดงดาน ขอสองกลุ่มมันหือใดเอามาไว้ปัเรินกู้เต้าบุญจู้ตนนั่นโสดเตียนย่อมโผดคุณน้ามีศรัทธาจมจื่เตียงยักจักยืนย่อปัน <c oughs> ยังสองจอมขันลูกเต้าหือแก่เทาป้ามาบ่อยาจัแลยนะ ที่นั่นจูเจ้า ก, ก็พรำผูเเ่าก็ตันเหลากำไปว่าดูราน낭าใสใจงามแง่พี่นี่แกจะราอยู่แกาหาเตียวสอดถูกยั่งจอดอิกหิวพี่เป็นตาคิวม่วงจ้างเมื่อซองธารพังตั้งวันดังหรือจักพันไปใด เข้าป่าไม่ดงไฟหุหนตั้งไก่นักโสดลายสิบโยดกนานนังอย่าจาจุ่มฟ้องอย่าจะจ้องตั้งไว้ปีจักคุยขายอยู่ไกลลุกแหลนใจปัมเรืนนางดูราสีคิงบางเฮ้ยน้องเนา อันว่าป่าเศร้าดงด้านหิมะปานป่ากว้างมีแรดจ้างเสือมีราจสีกาจยาบย่อมกันกาบกิน ค, ค, น, คนมีกังวลอันใหญ่ปี่เตียงไรจีวังบอมีวังปอกเตามารอดเจ้าปอสองจัแลนา นางบินตะตาหนุ่มน้อยจริงตอบทอยกำพร้ามบาดูราพร้ามปูเท่าตันบอกเล่าอุปมาคนได้นาขียานใจสะตานสงครามบ่ถึงสะนมฟันฟาดก่อประหลาดพระนิอุปมามามีแต่ไทยก่อมาได้แก่มึงคราม ยังบอกถึงสะนามแดนป่าป้อยอ้างว่ามีเสือนั้นจะาดูราพรามปูเทากันมึงเกิดเล่ากลัวตายบอกไปคงควายหือใดยังข้าจ่วยใจยิงใจกูยินละอายบออยู่จักปอกสู่เรื่องตนตุกกังวลไล่แลเตี้ยงเกิดแก่บึงพราม กันถึงยามปีใหม่กูจะผัดอับไข่ตั้งตัวจักวีหัวอ้วจ้องใส่เครื่องย่องหนานาตัดบุพพาดอกไม้และลูบไล่จุนจันแล้วผายพันเตี้ยวแอวกับเบาวแถวตั้งหลายเท่าผี่พายหันใส่เตียงตุ๊กเอาไม่ดอมได้และนา ยามไดมีหมหอระพบใหญ่กูจักใส่จะองนมปักปิ่นผมหมวดเกาผดับตัวเล่าดูงามจักไปตามพรำหนุ่มสีหน้าจุมมีวันกันพรมหันดังอันเตียงใจปันเววาลวดโม้ระนามวยหมอเตาวตนตอดเนื้อดินและนา นูราพร้อมเท่าแก่พี่ว่าพ่อแม่วงสากูบออนาธาต่ำจ้าก่อยไปก้าสะแว่งหาได้เข้าของมาต้วยไทยกูเตียงบ่ได้เป็นเมียจักนิเสียบ่อยู่ละหือปูมองได้แลนา ทต่นั่นจุจ้ากับพรามปู่เท่าฟังเมียหนุ่มเนาไข่จ้าวจักนีลาบ่อยู่ใจเท่าปู่ปั้นไฟกัวเมียไก่พักขางก็เก่าอางกำดีว่าจะเข้าดงรีป่าไม่ตามนางใจครับจำก็มีฮันแลยนะ อามัททังปะกาเซนโตสัทธ า, า, าสัทธาสัพพัญญูตนเป็นคู่แก่โลกคันอาโภคมารีบทหลังมีไผแจ้ง <c oughs> พระจริงแสงเตสนาวาตะโตโสพรห ม, มโนพิโตดังนี้เป็นตนพิงคเวดุราพิงคู่ทรงตนทรงสินใสบ่อเศร้า อันว่าพรามปูเทาปาลาฟังเมียจ่าต้านก่าวร้อนพระเ ผ, า, ผาตั้งตัวมีความกลัวลายลากยอดกามารากเผาใจกลัวเมียไปจากหองจิงตอบทองกำนังว่าดุราสารีคินบ้างนอลาปีจักเข้าป่าดงตันนางจุงเดี๋ยวปั้นแต่งไหวยังคงกินใจเดินดง <c oughs> เออเต็มธงอันใหญ่น้ำพิ่งหม่ห้าตําตั้งกินยําปลาแหงบดผกแต่งกับเกลือเข้านมเบือนึกนําอ้อยแตนแผ่นน้อยจืนมันปลาเข้าแดกอันใหม่ซับใสในธงเพื่อกินกางดงปลาเซาปีจักไตเตาไปคอเอาซองสบอแกนไทยมาไว้ใจปั่มเรือนางจั๊กและนา ที่นั่นอามินตาตาหนุ่มนาวรู้ว่าเท่าปาลาจังไก่กาจากห้องไปเถื่อนทองดงรีก็ยินดีจืนสูย้อนกิดรู้ในใจ <c oughs> ว่ากันพราม์ไปเถื่อนกว้างกันบ่อมังเมื่อมอนกลางดงดอนป่าเศาเตียงใดสองเจ้ากุมมานมาเป็นปริวานจวยใจหลอนพามถอยไร่ตายไป ในดงไผ่ห้วยหาดเตียงปนอำนาจบาดเตียวนางจิงจำพรานพรมเตียวเข้าป่ากันรู้ว่าจีพรา ม, รามจากักไปตามนางกาวก่อจืนเง้าวยินดีใครว่าที่จีนจ้อยมีบ่หน่อยหนานาแล้วเริงดาพ่อขวา ย, ยังเครื่องใจเดินดงคือเขาสัตุตูพงและกอนเขานมอ่อนสูนงา ตั้งจีนป่าตากแหงตั้งเข้าแป้งใส่ศูนตาลของกินหวานลายหลากตามพ้าหากผ้าส่งเขานมบงุงงยอดอ้อยน้ำต้นน้อยกันตีเล็กไฟดีกับมือดาแต่งหือจีพรามปอล้นลาำทงใหญ่ยู่ยัดใส่จูอันอันก็มีหันแลยนะ ตาตาในกาลานั่นเหล่าฟรัมปูเทาหมาอเฟื่อนรีบยดฝ่าเฮือนจู่กรรมเอาไม้มากั้มวงลายตึ๊ดจู่ป้ายไข่หองบอ่มีจ่องมีหูแปลงผ้าตัวแถมไม่แปลงแส่ใส่น้ำนาเอาวายมาขาดหัวฮือตึ๊บถั่วจู่ปาย คนผ่านภายเตี้ยวสอดพอบลอดหันในแล้วเร็วไวบัวจ้ารีบเข้าป่าหาลัวตัดบันคัวพาไว้เป็นกองใหญ่เลือลายแล้วคงควายตักนำเพื่อเต็มพั่มจุ้หไมันจังเตี้ยวไก่ไปป่าจริงสั่งนางนอลาอบินตะตาวาดูราสรีโซภาเฮยเจ้าปีนางจุงอยู่นี่เรือนรา อย่าไกลกาเตียวออกไปไปนอกเกาหากาละมายามคำย่าลงยำเหนือดินตั้งน้ำกินน้ำใจปีดาไว้เดือลายถึงย้ำง่ายรุ่งแจง้งก่อยเอาหลวแหงมาเฮือนอยา่าเมเฟือนเก่าอูกกับเผาผู้คนได้ย่าจำไอเนี่ยหล่อเขาพอและหาขอสรีโซภานัดนอง อยู่แต่ห้องไปในแต่วันนี่ไปเป็นเก้าถึงพี่ปอกเตาขึ้นมาดแดเตอร์กันสั่งจาเสียงขาดนางหน่อยหนาดอพินตา ต, า, ตาพรำจะาราเท่าเทิบก่อซุปเกิบนังควาย แล้วสาไป่ถงใหญ่เย่ร้องให้ก็เย่สั่งเมียมันก็กึมก็กุมพันมือเมียหนุ่มเท่ากุมงุ่มก็ลงเฮือนไปวันนั้นแหละนาตะมาถังประกาเซนโตสัทธาฮาสัทธาสัพฟันยูนยอดซอยหันบาทถอยบาลีบทหลังมีไปแจง พระจิงแสงเตสนาว่าอีตั้งวัดตว่าพรามนาปันทุงดังนี้เป็นตนพิง้าเวดูราพิงขู่ทรงตนทารงสินไส จ, จินจอยอันว่าพรามเท่าถอยจือจ่อจูอจากก้าพรามกันสั่งเมียงงามเวียนแล้วจักคือกาดแก้มมันัยตั้งคนไปและอยู่ตามมันรู้เล็งหัน ก่อป้าทักสินเมียมันแถมเราไข้ตีเก่าสามตีพรำกะลีเท่าเถิอบก็ซุบเกือบนั่งควายแล้วสาปายทุงใหญ่คัดใตเข้าใส่แอลตน มีกังวลบ่โ น, นยน้ำตาย้อยล้ำไหลลงเหอนไปเลียวพอ่อเบนนาต่อหลที่ใจโบนีพระคองแต่ตัวต้องเต๋ยวไปเข้าดงไพรป่าไม้เพื่อขอคาใจยิงใจ เท่าผีภายบรูตั้งไปสู่ดงควางลวดลงตังไปรอดเมืองแก้วหยอดสีปีตีคนมีอยู่สมเป็นมูลายลามพรำเข้าํามเกาทาก้าทอยว่าดูราเจ้าเราใหญ่น้อยตั้งลายเต้าบุญภายตนอง์อาจคือพระยาเบสันตรราชจา <c oughs> บัดนี่านตะันเต้ า, ตาไปอยู่ดาวแดนได้คอจุงไข่บอกกาวฮือรู้ข่าวตามมีแดเตืว่าอันก็มีหันและนาะต <c oughs> ามาถังประกาศเซนโตสัทธาฮาซาัทธาสัพพัญญูยอดซอยหันบาดทอยบาลีบทหลังมีไปแจ้ง พระจิงแสงเตสนาวาโสตถากันตวาวาจจะดังนี้เป็นตนพีกาเวดุราพิคูตั้งหลายอันว่าปูพีพายพรำเทากันหลงเขาในเบื้องก็ถามห้าถามหาพระบุญเรืองเจ่องเจ้าว่าดุรานุ่มเทาตั้งหลายเต้าบุญภายยศใหญ่เป็นเจ้าไพรสีปี ตันได้นีจากห้องไปสู่ตองแดนใดข้ามีใจกึดรอดไข่ไปตอตาหันตีพระจอมทันเจ้าจ้างอยู่ก่อสร้างปารมีและนาตีนั่นคนตั้งหลายเกียรตาเกากันมารุมด่าอย่างพรามว่าเว้ยเว้ยสู่พรามเฮ้ยหลบล้นคอตันป้นพระมานตันเฮือตานจ้างเพือกไ้ความเคือกครับนี ไปเป็นจีอยู่ป่าก็เหตุว่าสู่ขอบัดนี้ตั้นรอแต่เมียและลูกเตาอยู่ป่าเศร้าดงไพรตีวงกดไก่ลายหลากดังรือมึงหากทำหามึงอย่ามาตีไก่ตัวเบาไวจีวังมึงอย่าวังไปรอตีเต้ายอดบุญมีเขาเครื่องขี่มวนหมูแ ล, ลนมาสู่ดวงลายพ้องคงควายหาไม่พ้องกำไดก่อนดิน พ่องเอาตินถีบเต้าพรมดินด้าดาว ด, ด้าตายลุกคุยขายเล่นกว่าเพื่อเข้าป่าหาตาังไปที่ปางยังจอดแห่งเจ้ายอดกระซัยธทรายามนั้นนาเตวาดาป่าไม้ตนมักไฟยินดีจักแถมป่าระมีเจ้าจ้างเฮมากวางเดี๋ยวไวจริงด้นใจพรมเท่าือเตียวเข้าดงดอน คามเดินจอดป่าไม้ไปเจะใจหลายวันจริงพายพันไปไกลตีประตูป่าไม้หิมพ า, านก็มีหันและนา <c oughs> ตามวัถังประกาศเซ้นตัวศรัทธ า, าหาศรัทธาสัพพัญญยอดซอยหันบาทถอยบาลีบทหลังมีไปแจ้ง พระจิงแสงเตสานาวะโสโจติโตพรัมณมิญาดังนี้เป็นตนพิกคเวดุราพิกคุตั้งลายอันเป็นทายอริยาเจ้าโทกคำเจ้าภาวนาอันว่าพรามเทาปาลาถอยไรเมียดาใจจำไปมีอะไรลายหลากย้อนกามารากเผาล้นกลัวเมียตนบ่อยู่ทมพรามเทาปูพี่พราย จิงสะปลาย่งใหญ่เข้าป่าไม่หิมมาปานอันเป็นสะทานเขตกวางที่อยู่แรดจ้างราจะสีสัดไรม่มีมวนหมูเสพสร้างอยู่ดงดอนพร้อมเตียวจรจ้าใจจิงไปรอดพระตัวป่าไม่หิมมาปานอันนายพรานหนุ่มเนาจือเจตาบุตรเฝ้าอยู่คืนวันก็มีหันและนา ที่นั่นมาพรานเจตบุตรม้วนหมูอันมีอยู่นำนำขาวแดงดำกำโ ก, กงพงสอดลงดงตันกันมันหันพรามเทาก็แล่นเข้ามาปันเฮาเสียงนั้นสะซสว กองไข่าดาวดงรีจุมมามีน้อยใหญ่มาแวดไว้จูปลายพรามมีพายปูเท่าเอาไม้เต้าแก่งวัดไว์มาซ้ำไว้ขานาตัวหนึ่งญาดตั้งหลังตัวหนึ่งวังปลายนาพรามถอยจ้ากวัวตายจริงคุยค้ายขึ้นตนไม่แล้วร้องให้กก่าวก็ทาว่าโกราจา้าพุตธังนิสาพังดังนี้เป็นตน ว่าคนได้มาอยู่ป่าแอลเล่นล่ากับมาจุงอินดูมาจิมไกบอกเกตีเตาไทยผู้ทอนชื่อเวชสันดอนบุญกวางมาก่อสร้างกระดาบุญเตามีกุนผาเสือเถือบังเกิดสุขใจสัทธาใสบ่ถอยนาจินจ้อยบานงาม <c oughs> ภาพสงครามแปลแล้วเต้าต้นแก้วผู้บาลราชานเมืองใหญ่ละไผยไตสีปีมาเป็นราศีเทือนทองเต้าอยู่ห้องแดนใดจุงจักไข่บอกคาอันกลมนามหาพระราชายศใหญ่หยาจกไปยินดีดังทอระนีแผ่กว้างซัดอยู่สร้างเต็มดอนดังสากรแม่ใหญ่นำน้อยไขไหลรอม ตนเจ้าจอมเบ็สันตระราธาโอกาสเตียมมาคือกงกาแม่กว้างใจเจ้าจ้างซะเมื่อกันข้าบ่อได้หันตันเต้าจริงเอินกล่าวถามหาไม่น้าร่มกวาาคือนิโคล้ังฉายาริมมักกาตั้งไตป่าแปงใหญ่ใบาบางตั้งไม่รังยหญ่หยาดข้าก้อมวาดถึงกันขนได้พันฟาไก ยังอยู่ไต้เยินใจพระจอมไต้เป็นเจ้าอยาจกเข้าไปหาดั ง, งกง้าแม่ใหญ่ดังมูไม่ตั้งลายเต้าปุนไผ่ใจกว้างมาอยู่สงงังวงกตข้าจิงอดมาสูบ่บ่อหอนหูตั้งไป หลงดงไพรป่าไม้จิงร้องให้ทำหาคนใดมีศรัทธาที่บอกตีเต้าออกกะตำบุญย่อมเป็นกุลลายหลากบุญอื่นบอ่มมอากเตรียมตั้นและนาตีนั่นพลานเจตบุตรผัวใจเฮาอันหกมืนเต้าปันวางหือรักษาตางป่าไม้ฟังเสียงร้องให้จีพระามอันร้องทำใครรู้ ยังตีอยู่อาสะลมแห่งเต้าอูดมเบสันตราราดพลัมพรานกึดขวาดในใจว่าเป็นคนใดนั่นเราลัดป่าเ้ามาจูฟังเสียงดูฮึกหยาบจักมาด้วยสุภาพบ่ร้อนมีเตียงมาขอสองสรีลูกเต่าหรือน้งหน่อเนาแปลงเมืองพรานยินเคืองโคตรกา ว่าจักไปขามันตายจริงพันภยัยไตเตาไปรอดพามเทาบัดเดียวพรานดงเขียวโคตเทาร้องเอื้นเก่าคำรามว่าดูระพรามเทาถอยเหตุดาป้อยเตียวมาถึงดงนาเถื่อนทองไก่จากห้องเหมืองคนเต้าหกมื่นตนยดใหญ่ป่องอาจยาไว้ปันกู ไว่มาจูต่อนาเหือกูขาเอาตายมึงอย่าไม่ปอกโซยังตีอยู่แกหากูนี <belly> ่นาจักขาเหือมึงความนามรณาบดี้แหละนากันว่าแล้วก็ขึ้นทะนูนาไม่ยกแนไว้จากหญิงก็มีหันแหละนา ธรรมทังประกาศเซนโตัทศรัทธ า, า, าสัทธาสักพัญญูตนองค์อาจหันบทบาทบาลีบทหลังมีไปแจ้งพระจิงแสงเตสนาวาตัะเจโตปติสโซสิดังนี้เป็นตนพิกเวดุราพิกูตั้งลายอันเป็นสายอริยจาเจ้อนักภาทรุงยาน ส่วนว่าเจตาบุตรพลานผัวฮาวอันหกหมืนเต้าปงวังหือรักสาตางป่าเศ้าทุกคำเจ้าวันยามได้ยินเสียงพรามร้องไห้ในป่าไม้แดนดงจริงถือเอากงไปสู่คำรามปูพรมลายว่ามึงเตียงตายความนาในกลางป่าดงรี บ่หอนนี้รอดใดกูบอกไว้จิวังมึงอย่าหวังปิกปอกไว้ยนาออกผ่านภายพรำตั้งหลายฟุงนี้ล่มโลบป่นตีเหลือผะมันเต้าหฮือตานจ้างเผือกไผ่ความเขือกครับหนีมาอยู่กีรีป่าไม้มึงยังไต่ตวยรอยร่องไว้บอยทำข่ า, ขาวตี้อยู่เต้าบุนขวาง ดังนกยางมวนหมูลา่าสะสู่ไปมาหากินป่าในน้ำมึงจักมาซ้ำขอตานเอาสองกุมมารนอลา <c oughs> ไปเป็นขา้าดีเล่บอันก่อจักมาขอเอาหนังมัตถีเจียงจันมึงจริ ง, ง, รงดันดงมาฟังดูราพามเท่าปืนปิดกูเลมนีเล่าดีหรือ กูยิงเสือตัวกาอันล่าป่าดงรีตั้งราจะสี่เมียนจตดกูจักหยาดยิงไปฮือถูกหัวใจมึงหิวเหือดดูดกินเลือดมึงพรามฟูงมาหามกันกาบสับย่านนั้งยาบตั้งตัวกูจักตัดหัวมึงในป่าแล้วจักพาเอาหัวใจเอาตับปอดในใสอ่อนตั้งจิ้นเลือดก่อนไขมัน ปู่จะยันในป่ากูเตียงว่าจักมีใจกูไปหุน่นใดบ่ถอยใดลาบบ่อนยเดือดลายมึงเกี้ยงตายบัดนี้บ่มีตีสงสัยและนาส่วนจูเจ้าก็ะพรมปู่เท่าฟังแล้วเล่ากลัวตายจริงคงควายกึดใดพรามถอยไรเก่ากำพราง <c oughs> ว่าวมมาตัตโชพรามโนตุโตดังนี้เป็นตนบาดูราพรานหนุ่มเน่าจุงจุงฟังคำเก่าโบราณอันวาตุตะการคนใจอันเต่ายดใหญ่หอใจใจจำไปต่างนาไผยบ่อหอนคาดีดีแม้นว่ามีตดใหญ่ตั้นก็ว่าคนใจดงไพร บ่มีไผยเอาโตดลุงนี่โสเตี้ยวหอนหากเป็นคนตันใจเจ้าอย่าใดเล่งยิ่งจุงข้านน่งกึดเล่าถึงกองเก่าโบราณตูตาการคนใจป้อยจักใส่ปืนยามีทรมาดาในเล่ายอมพิษกองเก่าดีนี่เหตเจ้าสี่ปีกึดใดจริงจักใจลุงมา ขอราธานาะตันเต้าอันมาอยู่ดาวดงไพรฮือขึ้นไปสะเวราชยอนนังนาดพุ้นศาดีตุกเครื่องขีใครแหง <c oughs> ตาบอแจงดังออนย้อนอาวอนหักลูกเตา้ากั๊บลานเจ่องเจ้าจอมควันให้ตั้งวันบอกคาเตา้าจิงหาผู้ฉลาดเตียวไว <c oughs> ลัดดองไขรป่าไมา่เต้าหือไดขนเดียวลุงจริงเตียวดันสอดพดมารอดถึงลานบัดนี้แ ล, ล, ละนากันว่าลานหนุ่มนาวหูตีเต้าเจ้าเป็นจี้จุงไข่ว่าตีบอกกาวหืหูดาวตัางไปแดเตอ อาทาในกาลนันพรานเจตาตบุตรผู้ใจกาฟังเทาถอยจ้าเก่ากำพางก่อลวดว่างใจเทาหักหมือนเต้าสุดใจเรียบเร็ยวไหวฟังเฝ้าทกหลักเน่าเครือเขาแล้วก็เอาผูกไว้ยังมาน้นยใหญ่ลายลำจิงเรียกคล้ำถอยไร่ลงจากขาไม่สู่ทอรณีพรามยินดีลายลาก็รีพรากลงมา คลานดงหนาหนุ่มเดากันพรามเทาลงมาก่อหื้นั่งเนืออาสนาเฟื้อยไม้เขานั่งไก่ก่าวกำมวานนำอาหารมาสู่ยืนปั่นปูจีพรามเกา่ากำงามจีนจ้อยเป็นบาดถอยกาถาวา พ, ยพียัตสเมปิโยตุโตดังนี้เป็นตน้น ว่าดูราพรามเทาพิวาลุงเขามะดงเปื่อดน้ำองค์เตาไทายตนยศใหญ่บุญมีจากดงรีเถือนทองปิกปอกห้องเวียงใจเรามีใจฮักเทามากกว่าเก่าลายปูนเหตุว่าคุณตันใจเราจักใส่รางวัล ของกินต้นจิงได้นำเพิ่งใหม่ยังมีจิ้นเนื้อดีหล่แล่เราจักแผ่เต็มทงเพื่อกินกางดงแก่เท่าตั้งไต้เต่าไปหายังกะสัตหาบุญกวาง มาอยู่สร้างป่ารมีว่าจากลัดดงรีเตียวต้องไปตัดจ่องตั้งใดเราจากใครบอกคือด้วยอันสื่อตามีว่าอันก็มีด้วยภักการดังกล่าวมานี้และนาจู่จากกาปะปังเิที่ตังขีญา สังวัน น, า, น, า, นาวีเศษจาห้องเหตุกันจุจกอันมีกาถาว่าได้เจ็ดสิบเ ก, ก, ก้ากาถากอบังกมสมเรสจเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแล